ในวันนี้ล็ใครที่จะขอเต้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอ่านเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันในฐานะที่เราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเราอาจจะเข้าใจคําสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีพอสมควรแต่บางทีเราอาจจะสงสัยแคลงใจว่า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 หลักธรรมะที่เราจะต้องดึดเป็นหลักปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือคำสั่งของพระพุทธองค์มีอยู่ห้าประการครบทุกครั้งที่ชาวพุทธเราประกอบกองการกุศลจะให้ทานจะฟังเทศต้องสมาทานศีลทีนี้ก่อนหน้าที่เราจะได้สมาทานศีลห้าข้อ เราจะต้องปฏิญญาณตนถึงพู้เป็นพระบรมม ศ, ศาสลาก่อนโดยเราปฏิญาณตนว่าพุทธังสารนังคัามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณ ะ, ะที่พึ่งที่ระลึกซึ่งในขณะที่เรากล่าวคําปฏิญญาณตนตนถึงพระองค์ว่าเป็นสารณะนะ ถ้าสมมติว่าพระพุทธองค์มาประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเราหรือหากพระพุทธเจ้าท่านพูดได้บางทีท่านอาจจะถามเราว่าจะเอาจริงหรือจะเยึดเราเป็นศรราสตราเป็นครูสอนเป็นสาระจริงหรือถ้าเราตอบว่าเอาจริงพระเจ้าค่ะ ถ้าจะเอาจริงแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของเราได้ไหมคำสั่งของพระองค์ท่านคืออะไรคำสั่งของเราก็คือศีลห้าข้อที่ได้สมาทานไปแล้วนั่นอย่างไรถ้าพอได้จินแล้วท่านผู้ใดว่าไม่ไหวแล้วปฏิบัติไม่ได้พระองค์ก็จะบอกว่าช่วยไม่ได้เหมือนกันทาไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะเหตุว่าหลักที่เราจะยึดเป็นหลักปฏิบัติเอาดีกับพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็คือศีลรห้าข้อเท่านั้นเพราะเศีลรห้าข้อนี้มันเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นแนวทางที่ให้เราสร้างความรักในเมื่อเรามีศีลรห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็มีแต่ความรัก ความรักเมื่อมันละเอียดอ่อนลงไปมันก็กลายเป็นความเมตตาปลาณีหนักใจไหมว่าการที่เราจะมารักษาศีลห้านี่หนักใจหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วไม่มีสิ่งใดที่น่าหนักใจถ้าหากว่าท่านผู้ใด มีความจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์กัดชีวิตประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตตามปกติก็เชินตามสบายแต่ถ้าอยากจะมีศีลห้ากับเขาหรืออยากปฏิบัติสมาศีลห้าเพื่อเป็นโมนลฐานสำหรับสร้างความรักความเมตตาก็ให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าเคลื่อนเทอว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแก่ไม่อิจฉาตาร้อนใครมีความจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตเชิญตามสบายแต่ว่ามนุษย์จะไปแต่ต้องให้เราพยายามสร้างความรักความเมตตาปรานีในมนุษย์ให้มันสมบูรณ์เที่ยงพอการธรรมดาการสร้างคุณงามความดี ถ้าเราสร้างกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนมันจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อพลังแห่งความดีมันซ้อมมันจะแผ่คลุมไปถึงสัตว์เลี้ยงฉนเองแล้วในที่สุดสัตว์เลี้ยงฉันเราก็จะฆ่าไม่ได้เอากันอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าท่านที่จะไปคิดว่าไม่ไหวไม่ไหวท่าเดียวทำไมเล่า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 ลองพิจารณาดูเท็นในการฆ่ามันผิดศีลห้าข้อไหนผิดข้อปาราปฏิบัติในเมื่อเราก็เต้นจากการฆ่าการเบียดเบียนคมเหงรังแกออตธาิษยามันก็เป็นคุณธรรมที่ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขสงบ ประการแรกศีลห้าเป็นคุ ณ, ณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันข้อที่สองเป็นคุ ณ, ณธรรมจัดทอนผลเพิ่มของบาป ก, กรรมข้อที่สามนทรนกำลังกิเลสโลภโกรดหลงในฝ่ายชั่วให้น้อยลงหรือหมดไปข้อที่สี่ ปรับเพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ข้อที่ห้าเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมข้อที่หเป็นคุ ณ, ณธรรมที่เป็นโมลฐานให้เกิดระบอบ ก, การปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยนั้นอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชน ข้อที่มีเสียนห้าย่อมเคารพหมดทุกสิทธิสศทธิในการดํารงชีวิตอยู่สศทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสศทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องามและสิทธิอื่นๆครอบจั ก, กรบาลไปหมดเพราะฉะนั้นการทําผิดศสียนห้าข้อใดข้อหนึ่งนั้นอยู่ในขายแห่งโทษอาญาทั้งนั้นเช่นอย่างการฆ่า ฆ่ามนุษย์ผิดกฎหมายอาญาฆ่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงที่มีเจ้าของผิดกฎหมายอาญาการลักขโมยก็ผิดกฎหมายอาญาล่วงละเมิดในแวดนิยมของกันและกันก็ผิดกฎหมายอาญาก่อหอกหลอกลวงก็ผิดกฎหมายอาญาต้มเล้าเถื่อนขายก็ผิดกฎหมายอาญาอีกเพราะฉะนั้น ในเมื่อเรามาพิจารณาดูให้ซึ้งแล้วกฎหมายปกครองบ้านเมืองเรานี่ถ้าเรามาเยอดศีลห้าเป็นหลักปฏิบัติดำเนินตามคำสอนของสมเด็จระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อันนี้คือประโยชน์ของการรักษาศีลห้าที่เราจะเึงได้ในปัจจุบันสีเลนะสุขติงยันติ รักษาศีลแล้วไปสู่สุขติทีนี้พอเราได้ยินคำว่ารักษาศีลแล้วไปสู่สุขติจิตใจเรามักจะมุ่งถึงสวรรค์ชั้นฟ้าแต่เราเราเริ่มนึกถึงผลประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเราควรจะได้อะไรสีแลนสุขติงยันติสุแปลว่าดีงามง่าย คติแปลว่าทางเดินหรือทางดำเดนินยันติแปลว่าไปเพราะฉะนั้นผู้มีศีลจึงได้เชื่อว่าเป็นผู้มีสุขติงยันติเพราะอะไรเพราะผู้มีศีลไป ก, ก็ไปดีมาก็มาดีอยู่ก็อยู่ดีไปที่ไหนอยู่ที่ไหนทำประโยชน์ให้เกิดแก่ที่นั่น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 เนื่องจากการทำความเข้าใจในหลักคำสอนไม่กระจาดเราจึงไปเข้าใจว่าใครรักษาศีลแล้วทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาไม่ต้องทำอะไรก็มีทรัพย์สมบัติมีอยู่มีทานไปเข้าใจกันซะอย่างนั้นทีนี้สีเลนะโฟขสมปท า, าตามความหมายถ้ามีศีลแล้วทรัพย์สมบัติใครมีอะไรเอาไปวางไว้ที่ไหนมันก็ไม่เกิดภัยอันตรายโจนผู้ร้ก็ไม่มี ไม่มีใครรับฉกทรัพย์สมบัติไม่เสียหายมันก็ถึงพร้อมมีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นนอกจากตัวเองจะนำไปใช้สอยเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นส่วนจรขโอยที่จะมาจี้ป้นฉุกรักนั้นไม่มีเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องประกาศความปลอดภัยศีเลนะเนปุติงยันติมีศีลแล้วถึงซึ่งความดับสนิท แต่นักศึกษาธรรมะทั้งหลายเนี่ยสีเลนะนิพพิงยันติจะถึงความดับอย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เพราะสิทีนี้เมื่อเราฟังแล้วเพียงแต่ฟังธรรมานิพพานเท่านั้นเราก็ทอ้อใจซะแล้วหรือบางทีเราอาจจะนึกสนุกนึกในใจว่าเรายังนึกอยากจะสนุกอยู่ในโลกนี้เรายังไม่อยากไปพระนิพพาน เมื่อเป็นเค่นนั้นเราก็ไม่พอใจที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องทำกรรเข้าใจเสียว่าสีเลนะสุขจิงยันติความปลูกพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นจองร่างจองผานจองเวรซึ่งกันและกันมันจะระหลั บ, ลบมันจะดับสดิลงไปได้กับพราะอําลาดของศีลหมายถึงว่าเราเองไม่ได้ไปก่อกรรมทำเข็นให้ใครเดือดร้อน ไม่ได้ไปทษไปตีใครไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปรักฉกทรัพย์สมบัติของใครไม่ชี้ปนท่อโคงใครเราก็มีความอบอุ่นใจเพราะเรามีสีลความอบอุ่นใจนั่นแหละคือวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจเมื่อใจมีที่อยู่ที่อาศัยมีความอบอุ่นเพราะคุณธรรมทุกเพลงทุกอย่างมันก็ดับ ดับภัยดับเบนดับการพยาบาทอาฆาตเทียดแค้นสังคมของเราบ้านเมืองของเราก็จะพากันอยู่เ็นเป็นสุขเพราะอำนาจของศรรีลอันนี้คือการรักษาศีลหาเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลาย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 ชาวบ้านทั้งหลายที่เกียดกอมืองอเท้าแค้นคำว่าสันโดษมักน้อยเป็นต้นอันนี้เราก็ตีความหมายคำว่าสันโดษมักน้อยผิดไปแต่ส่วนใหญ่เรามักจะพูดเะลิดไปถึงว่าพอโทษพูดถึงสันโดษแล้วเราก็จะเตลิดไปถึงคำว่ามักน้อย แต่ความจริงสันโดษกับมักน้อยมันคนละอันมันไม่ใช่อันเดียวกันสันโดษแปลว่าความพอพอนี่เราจะต้องทําความเข้าใจกันอีกพอในสิ่งที่เรามีอยู่หมายถึงสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราท่านหมายถึงพออย่างนี้ทีนี้สิ่งที่เรามีอยู่ทรัพย์สมบัติ วิชาวความรู้ความสามารถสมรรถภาพในการทำงานท่านจึงมีการจำแนกเรื่องของสันโดษเอาไว้ว่ายะถาภะสันโดษพอใจตามกาลังของตนเองยะถาสทาระสันโดษพอใจในสามีภรรยาของตนเอง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 มันไม่ได้ผิดสันโดษเราะจะลั่นจึงขอย้อนกลับไปกล่าวถึงข้อที่ว่าศีลรห้าเป็นขอบเกตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมเราไปฟังเทศพระองค์ไหนหรือนิมนทนผู้ใดมาปาทกถาธรรมในสมาคมนี้ บางทีเราอาจจะได้ยินว่าพระท่านสอนให้เราละความโลภความโกรธความหลงโลกโกรธหลงนี่มันเป็นกิเลสที่ดุร้ายเป็นข้อมูลเป็นมูลเหตุให้เกิดกิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นญาติโยมจงละมันเสียอย่าเอามันไว้ในเมื่อเราฟังฟังแล้วเราก็อยากละอยากจะละ เพราะโลกรอดหลงถ้ามันแสดงฤทธิ์ของมันรุนแรงขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์ใจเมื่อพระท่านบอกให้เราละเราก็อยากจะละแต่มันเป็นภาระจำยอมเราละมันไม่ได้ในเมื่อเราละมันไม่ได้เราทำอย่างนี้ดีไหมกีรติโลกรอดหลงนี่มันเปรียบเหมือนไฟไฟมีค์คนมหาหันมีโทษก็อนันต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 แต่ถ้าว่าใช่ผิดเพียงนิดเดียวมันจะเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองต้องเสียชีวิตเช่นอย่างไฟฟ้าเป็นต้นสำหรับกีเลดก็ในใจในสำานองเดียวกันกีเลดรอโปรดหลงมีโทษก็อ น, นันต์มีคุณก็มหันแต่ถ้าว่า ท่านผู้ใดปล่อยให้กิเลสโลกโกรธโงมันพาไปทำบาป ท, ทำความชั่วมันก็เกิดความเสียหายนอกจากจะเป็นความเสียหายส่วนตัวแล้วยังซ้องทำให้สังคมซ้องพินาศเสียหายไปด้วยตลอดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้คือโทษที่ใช้กิเลสไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นเพราะเหตุที่กิเลสเนี่มันยังมีประโยชน์สำหรับประชาชน พระพุทธเจ้าจึงตีเส้นตายเอาไว้ว่าใครจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่ากระโดดข้ามเส้นขนานนี้เส้นขนานนี้ก็คือเศษห้าข้อนั่นเองกิเลสต้โปรดหลงมีอยู่ในใจเราเอาให้มันกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความท่าเจอท่ายานันในความอยากดได้อยากดีอยากมีอยากเป็น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 แต่ว่าการสแสวงหาก็ควรจะมีข้อบลักขดข้อพับแคแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือศีลห้าข้อใครมีกิเลสมากกต้อยเพีย ง, ดงใดท่าเราสแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวถ้าหากไม่ละเมิดร่วงเกินศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ดี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 ข้อที่สองอารคะสัมปทาจงรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติไม่ให้สูญเสียโดยไม่มีเหตุผลข้อที่สามกัลยาณมิตตาเมื่อมีทรัพย์สมบัติพร้อมมียศถาบรรดาสัก์พร้อมมีอำนาจสนับสนุนพระองค์สอนให้สร้างความดีกับเพื่อนบ้าน ให้เพื่อนบ้านเขารักเคารพนับถือบูชาจะได้เป็นกำลังรักษาชีวิตและทรัพย์สมบัติไม่ให้เสื่อมสูญอันตรฐานข้อที่ห้าสมชมีวิตาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดชนบริวารให้มีความสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะอันนี้หลักท่านสอนไว้อย่างนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยัน ให้เราทำความเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราละกิเลสทายเดียวแต่ว่าสอนให้ลานั้นแหละละแต่เมื่อเราละไม่ได้เราต้องหาเอาประโยชน์จากอานาจของกิเลสโดยความเป็นธรรมเราะฉะน่้นขอท่านผู้ฟังทั้งหลายเพึ่งทำความเข้าใจคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดี ถ้าบางทีเราเข้าใจไม่แจ่มแจ้งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธองค์สอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเพื่อจะสร้างความสุขความสบายให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมตลอดทั้งประเทศชาติ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 ประชาธิปไตยของพราณี่บางทีมันอาจจะไม่ตรงกับประชาธิปไตยของขรวาดประชาธิปไตยของขรวาดหมายถึงการรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันเช่นอย่างเราไม่ชอบเจ้านายผู้ปกครองบ้านเมืองท่านใดหรือไม่ชอบหัวหน้าแผานการใดผู้ใจบังคับบัญชาก็มารวมหัวกัน เดินขบวนขับไล่แต่ว่าท่านทั้งหลายนั่นเข้าใจว่านั่นคือประชาธิปไตยแต่ว่าความเข้าใจของประชาธิปไตยแบบพระนั่นคือกา ร, รเผด็จการหมู่เมื่อไม่ชอบขี่หน้าใครก็รวมหัวกันขับไล่คนงามความดีเขาสร้างกันมาล้นโลกไม่มีความหมายอันนี้พระเห็นว่ายังไม่เข้าแบบ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 ในมาจบแล้วเรีบไปหางานทำในมอทางานได้มีรายได้ก่อนอื่นให้ถามคนพ่อคนแม่ก่อนไปจำนองจำนำเอาเงินมาส่งพวกเราเรียนถ้าใครไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าของใครมีรีบเก็บพรอมลอมเรียกถ่ถอนทรัพย์สมบัติคืนให้คุณพ่อคุณแม่ให้หมด อันนี้เคยจุดเริ่มประชาธิปไตัยจุดแรกของพระทีนี้เมื่อหมดทุระอันนี้แล้วเี่เก็บพร้อมรอมเริวเพราะอนาคตเราจะต้องมีครอบครัวในเมื่อเรามีครอบครัวแต่งงานแต่งการถ้าเราสามารถมีที่ดินเป็นของของตนมีบ้านเป็นของของตนมีรถยนต์นั่งไปทํางานมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตนและครอบครัวมีเหลือเก็บตั้ง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 ไม่ต้องนำของไปแจกบ้านเมืองเราก็เต็มไปด้วยบุคคลผู้เป็นใหญ่เป็นอิสระหลายๆครอบครัวที่มีหลักฐานมั่นคงรวมกันเข้าเป็นหมู่เป็นพวกก็เป็นปรชาถ้าเป็นหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านประชาที่ปรตัยเป็นตำบลก็ตำบลประชาที่ปรตัยเป็นอำเภอก็อำเภอประชาที่ปรตยเป็นจังหวัดก็จังหวัดประชาที่ปไตย เป็นประเทศก็เป็นประเทศประชาที่ประใจเพราะมีแต่คนเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นอิสระช่วยตัวเองได้ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปเป็นเจ้าเป็นนายใครอันนี้คือหลักประชาที่ประใจการสร้างประชาที่ประใจของพระมันเป็นอย่างนี้ผิดถูกอย่างไรขอฝากนักนิสิตนักศึกษาทั้งหลายและท่านผู้รู้ทั้งหลายเอาไปพิจารณา ที่ได้กล่าวมาในตอนต้นนั้นเป็นประโยชน์ของการรักษาศีลห้าแล้วเป็นคุ ณ, ณธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ยึดเป็นแนวทางสำหรับสร้างความรักความเมตตาปราณีเมื่อเรารักษาศีลห้าแม้ในระดับของมนุษย์นี่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราพยายามนึกเสมอว่า บ่ายพระสโสดมนข้าวเย็นเรานึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์ของเรานี่จงมีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้คือการปฏิบัติศีลห้าเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปกล่าวถึงสวรรค์นิพพานอะไรไว้ก่อนอันนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังเรามาช่วยกันปรับพื้นฐานระดับนี้ให้มันสมบูรณ์ดี อันนี้มันเป็นเพื่อฐานที่รองรับคุณนธรรมเบื้องสูงขึ้นไปมีศีน่ห้าแล้วเราก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นี่เราโูมใจว่าเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แต่บางทีเราก็เืมนึกเริมนึกถึงตัวเองในบางครั้งบางขณะเอาล่ะจะขอถือโอกาส พูดถึงหลักการพิจารณาตนว่าเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือเปล่าเรามีหลักที่จะพึงให้ท่านพิจารณาอยู่สี่ข้อข้อหนึ่งในขณะใดที่จิตใจของเราเกิดโหเทียมหรือโกรธจัดอยากจะคิดทำอะไรตามอำเภอใจนึกจะฆ่าฆ่านึกจะแย่งชิงแย่งริง แล้วไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราลดระดับต่ำลงไปถ้าเซนห้าขาดข้อหนึ่งมันลดระดับต่ำลงไปกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นด่างอื่นในขณะใดาจิตใจของเรามีความเมตตาปราณี มีความเพื่อเพื่อเผื่อแป่เห็นอกเขาอกเราในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์จิตใจของเราก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ในขณะใดจิตใจของเรามีเหตุความละอายบาปโอตะปะสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเทวดา ถ้าขณะใดเราบำเพ็ญสมาธิภาวนา ร, รมจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นพระพรหมพร ะ, รร ะ, ะพรหมแปลวผู้มีจิตใจสว่างสไยอันนี้คือหลักที่เราจะใช้เป็นหลักพิจารณาตนเองว่าเราเป็นอะไรในขณะปัจจุบันนี้ แล้วเราก็รู้แล้วเราก็พยายามปรับระดับจิตใจของเราเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่เป็นมนุษย์เป็นอย่างต่าสูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาเป็นพระพรหมเมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมของเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายการปฏิบัติธรรมเอาดีกับพระพุทธเจ้าสำคัญอยู่ที่ศีลเป็นเรื่องสำคัญ เรื่องสมาธิภาวนานี่ใครจะทำได้ดีพิเศษไปถึงไหนแต่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะประกันความปลอดภัยของชีวิตได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบัณฑิตขั้นจึงว่าตัดสมาธิลังบีโซทะเยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำละศีลให้บริสุทธิ์เอาทีนี้ในอันดับต่อไปนี่ จะได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนาบ้างละการปฏิบัติสมาธิภาวนาในขณะนี้ท่านก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วในขณะที่เราตั้งใจกำหนดฟังฟั ง, ฟงพระท่านเทศฟังพระท่านบรรยายเรามีสติ จ, จดจ่อรู้อยู่ที่จิตของเราใจของเราหรือจดจ่อต่อการฟังเราก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอด เวลาที่พระได้บรรยายท ร, ร ม, มาเพราะฉะนั้นการทำสมาธิก็คือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรก็ได้หลักการปฏิบัติสมาธิซึ่งเรียกว่าแบบสากกคาว่าปฏิบัติสมาธิแบบสากกที่เราไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปยกครูกรรมฐ า, าน เอากันอย่างนี้เยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นเรื่องชีวิตประจำวันแล้วเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งรละลึกของสติผู้สมัครใจจะปฏิบัติสมาธิ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 ในขณะท่านที่ท่านวิจัยงานของท่านในขณะที่ท่านเรียนท่านมีวิจัยวิชาวความรู้มีวิจัยงานนอกจากจะใช้ความคิดและเหตุผลตามหลักวิชาที่ท่านเรียนรู้มาท่านยังต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสต์เข้าไปช่วยด้วยในขณะที่ท่านคิดวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาพเพรเผลอๆเจตมันว่างลงนิดหนึ่ง ่งที่ท่านต้องการรู้มันผุดขึ้นมาเป็นความรู้อันนั่นคือสมาธิปัญญาหรือปัญญาในสมาธิผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเก่งที่สุดในโลกปัจจุบันที่เรารู้รู้กันนี่คือใครนักวิทยาศาสตร์คนที่ค้นคิดสร้างจรดไปลงดวงจันทร์คนนั่นก็ยังไม่เก่ง แต่คนที่เก่งที่สุดคือคนที่คำนวณระยะเวลากับความเร็วของจรวดตัวเล็กที่ไปลงดวงจันทร์แล้วกระโดดกลับมาเกาะยานแม่ลงสู่มนุษย์สโลกนายคนนี้เก่งที่สุดถ้าหากว่านายคนนี้คำนวณผิดเพียงเสี้ยววินาทีจรวดตัวเล็กจะเกาะยานแม่ไม่ถูกจะไม่มีโอกาสลงมาสู่มนุษย์สโลกจะลอยแฟลงฟ้างอยู่บนบนอวกาศ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 รับรองว่าท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนสมาธิที่ท่านปฏิบัติในห้องเรียนนี่จะสามารถรู้จนกระทั่งข้อสอบลงหน้าใครทจะจะขอนำตัวอย่างนักศึกษาที่ทำสําเร็จมาแล้วคนหนึ่งเคยแนะนำให้เขาปฏิบัติเขาก็ไปปฏิบัติตามตั้งแต่เขาเริ่มเรียนระดับปริญญาตรี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 มาตอนนี้อาจารย์อธิบายอะไรให้ฟังพออาจารย์พูดจบปั๊บจบหายใจเขาสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าไปต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบพ่ออ่านคำถามจบใจมันโบกไปนิดหนึ่งคำต่อก็ปุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องใช้ความคิดเวลาก่อนหน้าจะสอบใจมันบอกแล้วว่าข้อสอบจะออกที่ตรงนั้นตรงนั้นที่หนังสือเล่มนั้นหน้านั้น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 คำถามมันก็โผล่ขึ้นมาคำตอบก็ผุดขึ้นมารับรู้ลงหน้าหมดทุกข้อพอไปถึงสนามสอบกรรมการพอกรรมการถามปับตอบปุ๊บถามปับตอบปุ๊บพ อ, อจบคำถามตอบได้ทันทีกรรมการท่านถามว่าทำไม ห, หนูถึงได้เก่งนักหนูฝึกสมาธิไปฝึกสมาธิที่ไหนสำนักใดตาหนูสอนสอนให้ฝึกในห้องเรียน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 มันไปขวางฝังกับเรื่องชีวิตประจําวันเนี่ยมันไม่ถูกพ่อปฏิบัติสมาธิได้แล้วเป็นแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักเคารพบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราบอกว่าอย่านาลูกหยุดทันทีเขาจะไม่กล้าที่จะฝ่าฝืน อ, อันนี้